มาจากนามตุ้มมารางกี yes? ่คนสี่คนเจดีเสร็จหรือยังจยังเจดียังไม่เสร็จนะยังครับอือแล้วเยอะไหมเหลือตกแต่งนะตกแต่งข้างในเข้าไปได้เลยเจดีข้างในเข้าไปได้ปะได้ครับอข้างในทําอะไรเป็นวิหารเป็นเหมือนกับเป็น ที่ไหวพระอะไรเงี้ยะครับที่เก็บพระธาตุนี้เก็บพระธ า, าตุนั่นล่างปฏิบัติธรรมได้ะะนะแล้วมีการปฏิบัติธรรมเป็นปกติหรือเปล่าที่วัด ต, ตอน น, อ น, นี้ตอนนี้ก็มีที่เสาลาคู่ต่างเรียนมาปฏิบัติธรรมกันออือสำหรับคนทั่วไปไม่มี ช่วงวสาขายตอนนี้ระพักปีนะม่อยพักยาวไยาวิบิเองปฏิการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเองที่ไปวัดก็เพื่อไปเรียนรู้วิธีปฏิบัติพอรู้แล้วเราก็าไปปฏิบัติอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติได้ การปฏิบัตินี้ขอให้มีที่ที่สงบมีห้องของเราเราก็ปฏิบัติได้ไม่ต้องไปปฏิบัติที่วัดถ้าเราไปปฏิบัติที่วัดมันก็จะปฏิบัติได้ไม่มากไปได้ก็ดีแต่วัดมันก็มีที่จำกัดถ้าคนไปเยอะเขาก็ให้เราอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้สักพักแล้วก็ คือเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติได้อย่างต่อเ น, นื่องอย่างสม่ําเสมอดีอยา่าไปปฏิบัติแบบตะแบบแบบก็ตายนะถึงอยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติพอไม่อยากปฏิบัติก็หยุดเนี่ยปฏิบัติแบบเต่าทําไปทุกวันทุกวันมากน้อยทําได้เท่าไหร่ก็ทําไปแต่อย่าทำแบบหยุดหยุดทำแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ทำํำ มันจะไม่ได้ผลดีทำต่อเนื่องไปถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยจะน้อยหน่อยแต่ทำไม่หยุดเหมือนกับเต่าคลานเนี่ยมันคลายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเผลแป๊บเดียวมันไ่ถึงนู่นละก็ตายมันไม่พูดปาดพูดปาดไปเดี๋ยวจอดมันก็หยุดไปเล่นอย่างเ อ, อ่ยง้ถ้าไปอยู่วัดได้ก็ดีวัดที่ปฏิบัตนะิแต่มันก็มีน้อยแล้วก็ที่ก็น้อย อยู่ได้วัดอยู่วัดที่สงบแล้วมีอาจารย์สอนมีอาจารย์คอยแนะนำแล้วปฏิบัติสม่าเสมอทุกวันทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเจริญก้าวหน้าถ้าปฏิบัติแบบสามวันดีสี่วันไข่มันก็เดินหน้าสามวันเดินหน้าสี่วันถอยหลังมันก็ไปไม่ถึงไหน ถ้าจะปฏิบัติเราต้องทุ่มเทแล้วเราต้อง อ, อย่าทำแบบเล่นๆอย่าทำแบบมือสมัครเล่นทำแบบมืออาชีพเพื่อจะได้ไปชิงรางวัลกันพวกมืออาชีพนี้เขาเล่นกีฬาเขาเล่นเพื่อไปชิงรางวัลกันนักมวยอาชีพก็ชิงแชมป์กันนักกีฬาก็ชิงเหรียญทองกันพวกนี้เขาจะไม่ทำงานอย่างอื่น เขาจะซ้อมกีฬาเขาจะซ้อมชกถ้าไม่เมวยก็ก็จะไม่มีอาชีพทํางานอย่างอื่น mm hmm. เพราะถ้าไปทําอย่างอื่นมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาซ้อมนัก mm hmm. ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน mm hmm. ต้องไม่มีอาชีพอย่างอื่นทำํำ mm hmm. แต่พระนี่ก็มีอาชีพก็เพียงแค่วันละชั่วโมงไปบิณฑบาตเนี่ บินตบาตก็เป็นอาทีพของพระอาชีพหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบินตาบาตเสร็จกรรมาชันเสร็จก็หมดละทีนี้ก็ซ้อมซ้อมปฏิบัติกันพระที่อยู่บนเขาเนี่ยตอนเช้าก็เดินลงไปตีสี่กว่าเดินไปให้ทันสว่างที่วัดข้างล่างเพื่อที่จะได้ขึ้นรถไปบินตาบายในหมู่บ้าน บินตาบ่าที่หมู่บ้านเสร็จกลับมาก็ก็มาฉันที่ศาลาขณะที่บินตบาาขณะที่ฉันก็ปฏิบัตินะปฏิบัติด้วยสติคือคอยควบคุมจิตตลอดเวลาไม่ให้จิตคิดนู่นคิดนี่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่เดินบินตาบ่าก็เหมือนเดินจงกรมไป ถึงเวลาเปิดฟ้าบาทก็เปิดถึงเวลาปิดก็ปิดแต่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่ไปมองเดินไปมอ ง, ร, ร, มองร้านนู้นมองร้านนี้มองคนนั้นมองคนนี้พระจะเดินแบบทอดสายตาลงไปข้างหน้ามองแค่เฉพาะเวลาโยมใส่บาทนะโยมใส่บาทก็เปิดฟ้าบาทไม่มองหน้าโยมโยมใส่บาทเสร็จก็ไปเนี่ยดเดิน นี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไในตัวฝึกสติปตินี้มีไว้เพื่อหยุดความคิดถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดเพ้อเจอ้อคิดเพ้อฝันคิดด้วยเปื่อคิดแล้วก็เกิดอารมณ์เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาทำให้ใจร้อนนักปฏิบัติอาชีพนี่เขาไม่ว่าเขาทำอะไรที่จะเป็นต้องทำเขาก็ ทำนไปแบบปฏิบัติไปทำควบคู่กันไปบินทบาทก็บินทบาทไปแต่ใจก็ปฏิบัติสติไปฝึกสติอคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ที่งานที่กำลังทำอยู่เวลากลับมาเทงว่ัดฉันก็ก็ฉันกันไม่คุยกันตางคนต่างฉันกันเวลาฉันก็ดูอาหารพิจารณาอาหาร พิจารณาใจดูว่ามีความอยากกับอาหารหรือเปล่าถ้ามีความอยากก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้มันไม่อยากให้กินแบบไม่อยากกินแบบกินยายานี้เรากินแล้วไม่ก็อยากกินแต่เราต้องกินกินแบบกินยายัางไงก็ให้นึกถ้ามันอยากก็ให้นึกถึงอาหารที่มันน่ากินว่าเวลามันเข้าไปในปากแล้วมันน่ากินนะ อาหารที่อยู่ในจานเห็นน้ำน้ำนลายไหลเนี่ยแสดงว่าอยากถ้าเวลามันเข้าไปในปากเคี้ยวผสมกับน้ําลายแล้วคายออกมานี่อยากจะกินเข้าไปไหมให้นึกถึงภาพของอาหารที่อยู่ในปากอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานถ้านึกถึงอาหารในจานแล้วมันอยากมันอยากกินถ้านึกถึงอาหารที่อยู่ในปากให้มันถ้าคายออกมาแล้วมันกินไม่ลงมา หรืออยู่ในท้องหรือเวลาถ่ายออกมานี่คือวิธีพิจารณาอาหารเพื่อไม่ให้กินด้วยความอยากพิจารณาว่าในที่สุดมันก็กลายเป็นอุจจาระไปอาหารนันวิเศษราคาแพงๆไปนั่งตามร้านอาหารสังอาหารชนิดนั้นชนิดมาเดี๋ยวก็เอามากลายเป็นอุจจาระไปหน้าที่ของอาหารก็มีเพื่อ เลียงดูร่างกายเท่านั้นเองไม่ให้ร่างกายมันหิวดับความหิวที่เกิดจากการขาดอาหารแต่อย่าไปรับประทานอาหารด้วยความติดตสชาติของอาหารติดรูปของอาหารมันจะเป็นกิเลสมันจะทำให้อยากกินมากกินเท่าไหร่ก็ไม่พอ ท, ทั้งที่ร่างกายไม่ต้องการแต่เราก็ ยัดอาหารเข้าไปให้ร่างกายมันพองขึ้นมาเห็นคนที่พองก็เพราะกินอาหารด้วยความอยากนึกถึงอาหารเห็นอาหารไอ้อาหารที่อยู่ในจานแล้วอดอดไม่ได้ต้องกินบางทีร่างกายมันอิ่มแล้วแต่ก็ใจมันไม่อิ่มกินแบบนี้มันก็จะเป็นโทษเพราะมันจะหิวอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ากินแบบกินยานี่มันจะไม่หิวกินหนเดียว ภาวนาฉันด้วเดียวไปบินธบาเสร็จกลับมาพิจารณาอาหารฉันไปฉันเสร็จก็ล้างบาเสร็จแล้วก็ช่วยกันกวาดถูศาลาให้เรียบร้อยเก็บก้าวเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถขึ้นมาอยู่บนเขาพอมาถึงก็แยกกันไปอยู่ตามที่พักของตนไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปควบคุมจิตต่อไป ด้วยสติเบื้องตอนนี้ต้องฝึกสติให้มากเพื่อทำจิตให้สงบเป็นสมาธิก่อนพอควบคุมจิตได้สั่งให้จิตเข้าสมาธิได้แล้วทีนี้เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็มาใช้ปัญญามาพิจารณาสภาวธรรมต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ของเราตั้วันหนึ่งก็ต้องจากเราไปและสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จากเราไปเหมือนกันพิจารณาเพื่อให้เราไม่อยากได้อะไรเพราะเวลาที่ต้องเวลามันจากเราไปมันทําให้เราทุกข์กันเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็อยากมีแฟน พอมีแฟนนะเดี๋ยวพอแฟนจากเราไปเราก็ทุกข์กันน้องหม่มร้องไห้กันทุกข์มากกว่าตอนที่อยู่คนเดียวตอนที่อยู่คนเดียวไม่ไม่ถึงกับต้องร้องหม่มร้องไห้เพียงแต่ทุกข์กับความเหงาความว้าเหวแต่พอมีแฟนแล้วก็ต้องมาทุกข์สารพัดกับแฟนห่วงแฟนห่วงแฟนเวลาแฟนจากไปก็ร้องหม่มร้องไห้ คิดอย่างนี้ถ้าเรามีสมาธิเราจะไม่เหงาถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจเราสงบแล้วจะมีความสุขในตัวเราเราก็ไม่ต้องไปมีแฟนเวลาอยากมีแฟนก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าไปมีแฟนก็ไปหาความทุกข์เพราะมีแล้วก็ต้องหวงเวลาหวงก็ทุกข์ห่วงก็ทุกข์เวลาจากกันก็ทุกข์ อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าไม่ว่าจะอยากอะไรก็คิดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นข้าวของเงินทองหรือเป็นอะไรต่างๆเราไม่มันไม่ได้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมันมีแต่ความทุกข์ถามตามมาที่หลังมีความสุขแบบนิดหน่อยแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี่ยเหยื่อในเวลาฮุบมันก็เหมือนกับได้กินเหยื่อ พอถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากที่นี้มันก็เจ็บนะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เหมือนเหยื่อเหยื่อล่อใจเราให้ให้หลงติดพอติดแล้วก็ต้องทุกข์กับมันเพออยากจะให้มันดีอยากให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดพอมันไม่ดีพอมันเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือวิธีปฏิบัติ สามารถปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกคนถ้าเราคอยสั่งใจเราให้ให้ปฏิบัติแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะถูกเรื่องราวต่างๆดูดไปไปเจอคนนั้นเขาชวนไปทำนู่นนั่นเขาไปกับเขาเขาชวนไปเที่ยวก็ไปเขาชวนไปลงทุนไปทำการค้าก็ไปโดยที่ไม่คิดว่าทาแล้วได้อะไรขึ้นมา คิดอย่างเดียวว่าได้เงินได้ทองไปเที่ยวก็ได้ความสนุกได้ความเพลิดเพลินเพื่อแก้ความเหงาแก้ความเบื่อความความเบื่อน่ายแต่มันก็แก้ได้เดียวเดียวเดี๋ยวพอกลับมาอยู่คนเดียวใหม่มันก็เป็นอีกเอาเวลาเรามาปฏิบัติธรรมกันดีกว่ามาสร้างความสุขภายในใจให้ได้ก่อน พอใจมีความสุขแล้วเราก็จะสอนใจไม่ให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลิกหาได้เพราะความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี้มันมันดีกว่ามันเป็นความสุขมากกว่านี่คือแนวทางการปฏิบัติถ้าเรารู้แนวทางแล้วเราก็พยายาม ดึงใจให้มันอยู่ในแถวแนวทางนี้เวลามันจะไปทําอย่างอื่นก็อย่าปล่อยให้มันไปดึงมันกลับเข้ามาให้มันอยู่ปฏิบัติดึงไปอยู่คนเดียวได้จะดีเพราะถ้าอยู่คนเดียวมันจะไม่ค่อยมีใครมาดูดมาดึงไปถ้าอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้อยู่กับที่นั่นที่นี่เดี๋ยวเขาก็มีเรื่องราวที่จะดูดที่จะดึงเราไป เนื้อพที่เขามาอยู่บนเขาเนี้เขาต้องการหนีเรื่องราวต่างๆคนต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่คอยคอยจะดูดให้ใจเขาไปทําอย่างอื่นพอมาอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรดูดมีแต่มีแต่ตัวที่จะดันไม่มีตัวดูดแต่ก็ยังมีตัวดันตัว ด, ด, ดันก็คือกิเลสตัณหาความอยากที่มีอยู่ในใจมาอยู่ในนี้เดี๋ยวก็อยากจะไปนู่นอยากจะมานี่ ก็ต้องไปอยู่ที่ที่เขาบาังคับห้ามไม่ให้ไปไหนถ้าไปอยู่สานักปฏิบัติที่แข็งงนี้เขาไม่ให้ไปไหนถ้าจะอยู่ก็อยู่ถ้าจะไปก็ไม่ต้องกลับถ้าจะไปไปแบบเข้าๆออกๆนี่เขาไม่ให้อยู่เพราะว่าเขารู้ว่าไม่เกิดประโยชน์จิตต้องอยู่มันถึงจะเกิดประโยชน์จิตต้องนิ่งต้องสงบถ้ามันกิ้งไปกิ้งมามันจะไม่สงบมันจะไม่มีความสุข มันก็จะกิ้งไปเรื่อยๆกิ้งมาตรงนี้ก็อยากจะกิ้งกลับไปตรงนั้นกิ้งไปตรงนู้นก็จากกิ้งกลับมาตรงนี้เห็นไหมวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นเห็นไหมอยู่ฝรั่งเศสก็อยากจะมาเมืองไทยมาเมืองไทยแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปฝรั่งเศสกิ้ง<ๆ>ไปกิ้งมาอยู่ที่นี่แต่เนี่ยเราอยู่ที่นี่มาสามสิบปีแล้วเนี่ยเราไม่กิ้งไปไหนแนละ้วอยู่เฉยๆได้สบายมีความสุข ไ ม, ไม่ต้องไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่กิ้งกับกิ้งไปหาความสุขหาความสุขตรงนู้นเดี๋ยวเบื่อความสุขตรงนั้นก็กิ้งกลับมาหาความสุขตรงนี้พอมาได้ความสุขตรงนี้สักพักเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็กิ้งกลับไปหาความสุขตรงนู้นใหม่กิ้งไปกิ้งมาอยู่เนี่แต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ทําให้เบื่อพอเจอบ่อยๆเห็นบ่อยๆเดี๋ยวก็เบื่อพออยู่ที่นั้นอันสักพักเดี๋ยวก็เบื่อ อยากจะไปที่อื่นพอไปอยู่ที่อื่นสักพักเดี๋ยวก็เบื่อสิ่งต่างๆในโลกนี้มันน่าเบื่อทั้งนั้นเวลาได้มาใหม่ๆก็หมสัตดีพอได้มาสักพักหนึ่งแล้วก็เบื่ออยากได้ของใหม่อยากจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเท่าไหร่มันก็เบื่อเหมือนกันมีอย่างเดียวที่ไม่น่าเบื่อก็คือความสงบเนี่ยสมาธินี้ไม่น่าเบื่อ นั่งกี่ครั้งสงบกี่ครั้งนี้ไม่เคยเบื่อเหมือนน้าเปล่าเนี่ยน้ำเดิมนี่ไม่เบื่อหิวน้าทีไรกินเดิมน้าเปล่าได้ทุกครั้งไม่เบื่อมันบริสุทธิ์ไม่มีรสไม่มีอะไรมันถึงไม่เบื่อรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงรสของสมาธินี่คือรสแห่งธรรมชนะรสของอกาแฟรสของเป๊ปซี่รสของเบียร์ของเหล้าของไวน์ของอะไรต่าง แต่มนุษย์ไม่เคยพบรถแห่งธรรมอันนี้เพราะมันเข้าหายากยากยิ่งกว่าหาเพชรอีกเพชรที่ว่าหายากนี้ยังสู้ความสงบนี้ไม่ได้ความสงบนี้หายากท่านถึงเรียกวัตรตนะธรรมรัตตนะถ้าใครได้ธรรมรัตนะแล้วก็จะเบื่อกับรถแห่งอื่นทั้งหมดรถแห่งธรรมชนะรถท้งปง่วนพอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้ว ต่ไม่อยากจะหาอย่างอื่นแล้วถ้ามีปัญญายิ่งเห็นว่าผลาล้วไปทุกข์ไปเปล่าๆเพราะว่ามันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเป็นความสุขชั่วคราวสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้เพียงแต่ว่าสมาธินี่มันหยุดความอยากทาลายความอยากไม่ได้มันหยุดความอยากได้แต่พอมันออกจากสมาธิมาความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ นั่นถึงต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือใช้เหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรทำตามความอยากเพราะความอยากนั้นจะาพาให้เราไปหาสิ่งที่จะกลายเป็นความทุกข์ตอนต้นได้มาก็สุขได้ซื้อของมาใหม่ๆ ม, มันดีเดี๋ยวใช้ไปสักพักของเสียแล้วโทรศัพท์มือถือนี้ถ้าใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันเสียเพราะเสียแล้วมันความสุขที่ได้จากโทรศัพท์ก็กลายเป็นความทุกข์ พราะใช้มันไม่ได้ถ้าจะใช้ก็ต้องออกไปซ่อมก่อนถ้าไม่ซ่อมก็ต้องไปเปลี่ยนของทุกอย่างมันจะต้องเสียในที่สุดช้าหรือเร็วพอมันเสียแล้วความสุขที่มันให้กับเรามันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้เราคิดแบบนี้แล้วเราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากหาความสุขจากอะไรไม่อยากหาความสุขจากเงินทองจากสิ่งของจากตาแหน่ง จากคนนั้นคนนี้เพราะว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเรื่มหมดไปให้มหาความสุขจากความสงบนี้ดีกว่าหยุดความอยากพอเราหยุดความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังแล้วมันก็จะไม่มารบกวนเราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรก็มีความสุข ตอนนี้อยู่เฉยไม่ได้พออยู่เฉยมันอยากถ้าไม่อยากก็ต้องเข้าไปในสมาธิก่อนถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นสอนใจให้เห็นโทษของความอยากไม่ได้เห็นโทษว่าการทำตามความอยากนี่มันเป็นเหมือนไปติดยาเสพติดนั่นแหะยาเสพติดนี่เรารู้ใช่ไหมเวลาติดแล้วมันเป็นยังไงติดแล้วมันเลิกไม่ได้ติดแล้วมันทรมาน เวลาอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ก็เป็นเหมือนยาเสพติดเนี่ยเองแต่ว่ามันไม่รุนแรงเหมือนกับยาเสพติดแ ต, แต่ถ้าติดแล้วเนี่ยเวลาไม่ได้มันทุกข์ไหมติดเงินติดทองนี้ทุกข์ไหมเวลาอยากได้เงินแล้วไม่ได้เงินนี่มันทุกข์ไหมยวันหวยออกอันนี้ตั้งใจยิ้มเนี่ยยิ้มกันรอวันรอให้หวยมันออก ตอนนอนนี่ก็ตื่นเต้นดีใจเกงกันใหญ่รุนกันให ญ, ใหญ่พอไม่ถูกขึ้นมาก็เสียใจพอได้ถูกก็ดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวก็ใช้หมดพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ไปใช้หมดใช้หมดก็ต้องไปหาใหม่ของทุกอย่างเป็นเหมือนยาเสพติดใช้แล้วมันก็ต้องหมดหมดแล้วก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุก นี่คือปัญญาสอนใจให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราอยากได้กันนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดได้มาแล้วติดนะดื่มกาแฟแล้วติดนะดื่มเบบซี่แล้วติดนะดูละครแล้วติดนะไปเที่ยวแล้วติดนะมันติดเนยพอไปเที่ยวแล้วมันพอมาไหนไม่ได้เที่ยวมันก็งดเกลียดลำคานใจ อันไหอยากเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวก็หมดเห<ม>ตุบางการใจเที่ยวแล้วมันหมดไหมความอยากเที่ยวมันจะหมดไหมเนี่ยเที่ยวมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่กี่สิบปีแล้วความอยากเที่ยวหมดไหมยังมันก็ยังอยากเที่ยวอยู่นะอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากลิ้มรสของต่างๆดื่มกาแฟมาตั้งแต่กี่ปีแล้วเนี่ยยังเลิกดื่ ม, มเบื่อหรือยังอ ไม่เบื่อหรอกเบื่อก็เบื่อเดียวเดียวเบื่อช่วงท่าดื่มทีเยอะๆมันก็เบื่อเดี๋ยวพอพักสักพักหนึ่งเดียวมันก็หายเบื่อเดี๋ยวก็อยากขึ้นมาใหม่นี่คือปัญญาต้องฝึกคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่สุขหรอกมันทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันไม่เหมือนเดิมได้มาแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเห็นไหมแฟนของเราได้มาใหม่ๆดีไหม ดีทุกอย่างเลยใช่ไหมชี้นกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นฟ้าแต่พออยู่กันไม่สักพักนึงชี้นกไม่เป็นนกไปบอกให้ทําอย่างวุฒิธรรยนี้เมื่อก่อนใหม่ๆบอกให้ทําให้ทําหมดเลยดีใจยินดีรับใช้ทุกอย่างพออยู่กันไม่สักพักนึงต่อไปลองใช้ดูเลยขีเ้เกียจล้วไม่อยากจะ ไม่อยากจะทำไม่ว่างแล้วอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไม่มีอะไรเหมือนเดิม Nothing remains the same ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอันิี้จะอันนี้จะแปลว่าเปลี่ยนแปลง Change not the same all the time มีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีมามีไป เวลามาก็ดีใจเงินทองมานี่แฮปปี้กันเอาเงินทองไปหมดไม่แฮปปี้แล้ว น, นี่คือปัญญาถ้ามีปัญญาแนละ้วมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้แต่จะหยุดได้ต้องมีสมาธิก่อนต้องมีความสุขในตัวต้องมีที่ไปหาความสุขแทนแทนที่จะไปหาสิ่งต่างๆ ถ้าเราไม่กินกาแฟเราก็ต้องเข้าสมาธิถึงจะถึงจะมีความสุขถ้าอยากดื่มกาแฟแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟมันจะทุกข์แต่ถ้าอยากดื่มกาแฟแล้วเราก็ไปพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวจิตเราก็ลืมเรื่องกาแฟจิตเราสงบก็หายทุกข์หายอยากต่อไปความอยากก็จะไม่มีเพราะถ้าเราไม่ดื่มมันเดี๋ยวครั้งต่อไปมันก็ความอยากมันก็จะเบาลงไปเบาลงไป เดียวไม่ไม่กี่ครั้งความอยากดื่มกาแฟก็หายไปอยากดื่มสุราก็หายไ ป, อ ย, ยไปอยากสูผู้หี่ก็เหมือนกันอยากเที่ยวก็เหมือนกันอยากอะไรเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเราฝืนมันไม่ทำตามมันเดี๋ยวสักพักนึ่งมัน ก, มนก็มันก็จะไม่มันก็จะหายไปแต่จะฝืนมันได้ต้องมีที่ที่ไปฝืนที่ไปฝืนก็คือที่สมาธิเวลาเข้าสมาธิใจสุข ไม่เดือดล้อนไม่มีกาแฟเดื่มไม่เป็นไรไม่มีบุหรีสูบไม่เป็นไรไม่มีสุราเดื่มไม่เป็นไรไม่ได้ไปเที่ยวไม่เป็นไรจะไม่ทรมานถ้ามีสมาธิพอเราจิตสงบจิตมีความสุขแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหายไปมาทีไรเราก็ไม่ทําตามความอยากต่อไปมันก็หายอยากคนที่เลืกบุหรีได้ก็เพราะไม่สูบบุหรี ทุกครั้งที่อยากจะสู่พอดีก็ไม่สู่ไม่สมู่ถ้าสู่มันก็จะสู่ไปเรื่อยๆถ้าไม่สู่มันก็ไม่สู่ไปเรื่อยๆพอไม่สู่ไปสักพักความอยากสู่มันก็หายไปเอดื่ดมกาแฟก็เหมือนกันดืม่มสุราก็เหมือนกันไปเที่ยวก็เหมือนกันไปชอปปิ้งก็เหมือนกันบางคนก็เป็นชอบแอลกอฮอลิกไม่ใช่เป็นแอลกอฮอลิกแอลกอฮอลิกก็พวกติดสุราแอลกอฮอล พวกชอบเพราะชอบพอฮอล็ตก็พวกติดช้อปปิ้งเหมือนกับคนติดสุราต้องไปช้อปอยู่เรื่อยๆต้องไปเดินตามห้ามไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อข้าวซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆถึงจะมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปซื้อใหม่เพราะความสุขที่ได้หายไปหมดแนละ้วความสุขที่ได้จากซื้อของต่างๆหายไปหมดแนละ้ว ของที่ซื้อมาบางทีก็ไม่ได้ใช้ซื้อมาเพื่อจะได้ให้เกิดความสุขเวลาที่ได้ซื้อเท่านั้นนี่คือความทุกข์ของคนที่ยังมีความอยากอยู่มันจะทำให้ต้องดินน้นรนหาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากเวลาทำงานก็เหนื่อยกว่านจะได้เงินสักบาทนี่เหนื่อยพอได้มาปับ๊บใช้ปั๊บเดียวเนะี่ย หามานี่อาจจะใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งพอเวลาใช้นี่ใช้ไม่ถึงชั่วโมงก็หมดซื้อของชิ้นเดียวก็หมดเงินที่หามาให้เห็นโทษของความอยากพมันไม่ได้นำไปสู่ความทุกข์มันเป็นเหมือนไปนติดยาเสษติดกันให้มาติดสมาธิดีกว่าติดสมาธิไม่มีโทษสมาธินี่ทาให้ใจเราสงบมีความสุข ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องมีอะไรไม่เหมือนไปเที่ยวจะไปเที่ยวทีก็ต้องมีเงินมีเสื้อผ้ามีอะไรต้องแต่งเนื้อแต่งตัวบานทีก็ต้องมีรถยนต์พาไปเที่ยวกว่าจะได้ไปถึงเที่ยวก็เหนื่อยเที่ยวเดี๋ยวกลับมาบ้านก็เหนื่อยแล้วความสุขที่ได้ไปจากไปเที่ยวก็หายไป ดูอยู่บ้านนั่งสมาธิดีกว่าพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปพอใจสงบก็ได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปง้อคนนั้นคนนี้จะขายของก็ต้องง้อเขาเขาบน่นเขาพูดไงก็ต้องอดทนปล่อยให้เขาบน่นให้เขาว่าไป เพราะเราอยากจะได้เงินเขาถ้าเราไม่ต้องหาเงินเราก็ไม่ต้องไปง้อแกลไม่ต้องไปอดทน<ม>กับคำพูดคำอะไรต่างๆ<ม>นี่คือวิธีการปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องเพราะเวลาไม่ปฏิบัติปั๊บมันก็จะมันก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เรา วุ่นวายใจ<ม>เดือดร้อนใจทุกข์ใจถ้าเราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆรื่อเราก็จะควบคุมความอยากไว้ได้แล้วเราก็จะได้มีเวลามาใช้ปัญญาคอยสอนใจเวลาเกิดความอยากก็สอนใจว่าอยากไปอยากเลิอกอยากเถิดเลิกแล้วจะสบายกว่าเลิกแล้วต่อไปความอยากก็จะไม่มารบกวนใจอยู่เฉยๆก็มีความสุข ถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้อยู่เฉยๆก็สบายเนี่ยตอนนี้เรานั่งเฉยๆกันได้ไม่รู้สึกอยากจะไปไหนไม่รู้อยากจะไปทำอะไรก็อยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขเดี๋ยวถ้าเกิดความอยากขึ้นมานี่อยู่ไม่ได้นะเนี๋ยอยากจะติดต่อคนนั้นคนนี้เดี๋ยวต้องลุกไปโทรพท์นะเดีวอยากจะดูอะไรเดี๋ยวก็ต้องไปเปิดโทรศัพท์ดู ถ้าไมนมีความอยากก็นั่งฟังไปเรื่อยๆนั่งคุยกันไปได้เรื่อยๆนี่แหละคือตัวที่เป็นปัญหาคือความอยากทําให้เราอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ยันตอนตอนนี้มาฝึกสติกันให้ได้ก่อนฝึกสติหยุดความคิดทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วจะมีความสุข แล้วความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมายากมันจะโผล่ตอนที่เราไม่มีสติพเพราะเผลอปล่อยให้มันคิดนั้นเดี๋ยวมันก็จะอยากขึ้นมาพออยากขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาก็มาสอนใจว่าอยากไปทําตามความอยากเลยทําแล้วความอยากมันไม่หมดนะทำแล้วก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆอยากดื่มกาแฟอ้าวไปดื่มดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวความอยากดื่มกาแฟมันจะหมดนะ มัไม่หมดะเดี๋ยวสักพักมันก็อยากใหม่ะแล้ ว, ลวพอเกิดกาแฟหมดไม่มีกาแฟดื่มเป็นไงสุขรู้ไม่ไม่สุขหมดเจ็บลำคาญใจไหมเวลาอยากจะดื่มกาแฟแล้วไม่ได้ดื่มเป็นไงให้คิดอย่างนี้ใช้ปัญญาสู้กับความอยากเพราะไม่มีอะไรจะทําลายความอยากได้ความอยากได้นอกจากปัญญา ความอยากมันเกิดจากอารมณ์เกิดจากความหลงหลงคิดว่าทาํทาตามความอยากแล้วจะมีสุขแต่มันสุขเดียวเดียวสุขแล้วเดียวมันก็หมดเหมือนสุขแบบควันไฟดื่มกาแฟก็สุขเดียวความสุขที่ได้จากดื่มกาแฟก็จางหายไปพอหายไปความอยากจะดื่มกาแฟใหม่ก็ผล่ขึ้นมาอยากจะได้ความสุขอีกก็ต้องมาดื่มอีก แล้วพอเวลาอยากก็ไม่ได้ดื่มก็ทุกเวลาไม่มีกาแฟให้ดืม่มนี่คือปัญญาใช้เหตุผลเหตุผลคือปัญญาโมหะคือความหลงความไม่มีไม่ได้มีปัญญาใช้อารมณ์คิดไปเองว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีโดยที่ไม่ได้ดูความจริงว่ามันดีจริงหรือเปล่า เหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาเห็นว่าโอ้ยเหยื่อดีคุบเลยโดยที่ไม่ได้สังเกตว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ภา ย, าย ใ, ใต้เหยื่อนั่นหเปล่าพอคุบเหยื่อก็ไปถึงก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากของของต่างๆที่เราคิดว่าดีให้ความสุขกับเราไม่เห็นอกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกเพราะว่ามันอาจจะหมดไปมันอาจจะเปลี่ยนไป ต้องให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความอยากเราจะได้ไม่ไปทำตามความอยากหยุดความอยากได้เราก็จะอยู่เฉยๆได้แต่ตอนนี้เราอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องใช้สติหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากชั่วคราวก่อนเพื่อให้เราอยู่เฉยๆมีความสุขได้พอมีความสุขได้แล้วเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจ ว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะเป็นการไปเหมือนไปติดยาเสพติดไปทําอะไรแล้วมันจะติดมันไม่ได้ทําหนเดียวแล้วพอหรอกทําแล้วมันจะต้องทําอยู่เรื่อยๆไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆดูละครก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆฟังเพลงก็ต้องฟังอยู่เรื่อยๆช้อปปิ้งก็ต้องชอบอยู่เรื่อยๆถ้าเราหยุดปั๊บไม่ทาตามต่อไปมันก็ไม่ไม่ต้องทำ ทุกครั้งที่อยากทำเราไม่ทำฝืนมันไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากมันก็จะหายไปมันจะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปอยู่เฉยๆมันดีนะไม่ต้องไปหาเงินหาทองทำงานนี้มันเหนื่อย้ยกว่าจะได้เงินมาสักก้อนเหนื่อยแสนเหนื่อยพอได้มาใช้ปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วแล้วก็ต้องไปหาใหม่เห็ น, หนี่ยอาทิตย์หนึ่งมีเจ็วัน กินอะยู่เหาเงินห้าวันนะมีสองวันที่เอาไปเป็นวันที่เอาไปใช้เงินกันบางทีก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าถ้าใช้สองวันเดี๋ยวมันก็หมดต้องเก็บไว้บางทีรอให้มีรอเป็นเดือนเป็นปีถึงจะไปเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งเพราะต้องเก็บเงินเป็นก้อนถึงจะพอเที่ยวได้งันถ้าเลิกเที่ยวได้นี่เราจะรวยขึ้นเลยจะมีเงินเหลือใช้ เลิกเที่ยวเลกชอปปิ้งได้เลอกซื้อของฟุ่มเฟือยได้ซื้อแต่ของที่จำเป็นอาหารเนี่ยซื้อไปทุกวันต้องกินอาหารซื้อไปอยารักษาโรคไม่สบายเสื้อผ้านี้ก็ไม่ต้องซื้อทุกวันเสื้อผ้านี้มีพอแล้วจะซื้อก็แต่เมื่อมันขาดมันไม่พอใช้อานานแต่จะได้ซื้อทักตวัวเงินก็จะเหลือใช้ บ้านก็เช่าไปหรือผ่อนไปซื้อบ้านก็ผ่อนไปรับรองได้ว่าเราจะไม่มีปัญหากับเรื่องเงินทองเงินทองจะไม่ขาดมือที่เงินทองขาดมือเพราะมันใช้ตามความอยากมีเท่าไหร่มันก็ใช้หมดเห็นอะไรมันก็อยากได้หมดอยากซื้อหมดต่อให้มีเงินเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าก็ไม่พอใช้ใช่ไหมเอามีเงินเพิ่มอีกสิบเท่ามันก็มีของเพิ่มอีกอีกร้อยเท่าให้เราซื้อ นี่คือธรรมะเนี่ยปัญญาให้คิดอย่างนี้ให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การทำใจให้สงบเนี่ยมาฝึกสมาธิมมาฝึกสติกันดีกว่าถ้าได้สติแล้วจะได้สมาธิได้สมาธิก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอได้ความสุขจากสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจเวลาเกิดความอยากว่าระหว่างสมาธิกับ ของที่เราอยากได้นี่สู้สมาธิไม่ได้อยู่นั่งสมาธิดีกว่าหนึ่งกาแฟกับนั่งสมาธินี่ลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงลถของสมาธินี่ดีกว่าเพราะไม่มีโทษตามมาไม่มีความเศร้าไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะนั่งได้ทุกครั้งไปเหมือนกับถ้าเราขับรถเป็นนี่เราก็ขับได้ทุกครั้งไปที่เราต้องการขับ พอเรานั่งสมาธิเป็นทุกครั้งที่เราต้องการเข้าสมาธิเราก็เข้าไปได้นั่งหลับตามดูลมหายใจเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็สบายนี่คือการปฏิบัติที่เราต้องทําอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผลน า, นานมานั่งสักครั้งหนึ่งนี่มันเหมือนกับรถที่มันจอดทิ้งไว้นา น, านแล้วมาสตาร์ตแบตเตอรี่ก็ เสียแล้วเสืมแล้วยางก็แฟบแล้วกว่าจะมาซ่อมยางซ่อมแบตเตอรี่ได้ก็เหนื่อยแล้วแล้วพอสตาร์ตติดก็วิ่งไปสักพักหนึ่งนิ่งวิ่งหอนเดียวแล้วก็มาจอดทิ้งไว้อีกแล้นั่งสมาธิกันสักพักหนึ่งแล้วก็เทงไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมานั่งใหม่ถ้ามานั่งทุกวันก็เหมือนกับใช้รถทุกวันพอต้องการใช้รถ ขึ้นไปนั่งรถทาร์ตันรถก็วิ่งไปได้เลยไม่ต้องมาคอยมาชาร์จแบตไม่ต้องมาเติมลมให้กับยางหรือเปลี่ยนยางรถจอดไว้นานๆมันก็จะเสียเ mm hmm. จ็ดเราถ้าไม่แน่ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องมันจะเข้าสมาธิยาก mm hmm. แต่ถ้าเราทําอยู่ทุกวันทุกวันนี้มันจะชํานาญมันจะเข้าได้ง่ายเข้าได้เร็ว จะเข้าได้ง่ายได้เร็วก็อยู่ที่สติมีกำลังมากกำลังน้อยนี่เราต้องมาฝึกสติให้มันเป็นนิสัยตอนนี้นิสัยเรามันเป็นชอบปล่อยสติกันชอบปล่อยให้ใจคิดเวลาปล่อยให้ใจคิดใจลอยนี่เรียกว่าไม่มีสติแลถ้าบังคับให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธนี่เรียกว่ามีสติหรือบังคับให้มันอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ กำลังเดินก็ให้บังคับให้มันอยู่กับการดูการเดินกำลังล่างหน้าแปลงฟันก็ให้มันอยู่กับล่างหน้าแปลงฟันอย่าให้มันไปอยู่ที่อื่นอย่าให้มันไปลอยไปที่อื่นดึงมันไว้เหมือนเรือเหมือนสมอเรือดึงมันไว้อย่าให้ใจมันลอยไปกับอารมณ์ต่างๆอย่าให้มันลอยไปกับความคิดต่างๆให้มีอะไรผูกใจไว้ให้พุทโธผูกใจไว้หรือให้งานที่เรากาลังทาอยู่ผูกใจไว้ กำลังเดินกำลังอาบน้ำกำลังแปรงฟันก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่แล้วถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิให้มันอยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมให้มันอยู่กับพุทธโธมันก็อยู่กับพุทธโธมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไม่คิดเดี๋ยวเดียวมันก็สงบสงบแล้วก็สบายมีความสุขพอสงบแล้วก็ไม่ต้องพุทธโธไม่ต้องดูลมนั่งเฉยเฉยมันมันไม่ไปไหนละ จิตนี่แหละเป็นตัวที่จะให้ความสุขเรามากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้และเป็นความสุขที่ถาวรเพราะจิตไม่มีวันดับจิตไม่มีวันสิน้นความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายนี้มันไม่ถาวรต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บก็จะหาความสุขทางร่างกายไม่ได้แล้วเวลาร่างกายตายไปก็ยังอยากจะกลับมามีร่างกายอันใหม เลยต้องกลับมาเกิดใหม่เราไม่ได้ตายหนเดียวนะตายมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านหนดแล้วเราก็จะตายต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะเรายังอยากมีความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ยังอยากใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวพาเราไปดูหนังฟังเพลงพาเราไปงานเลี้ยงไปกินไปดื่มแปอะไรต่างๆอยู่ไปมีแฟนไปมีความสุขกับแฟนอยู่ต้องมีร่างกาย เพ น, นพอร่างกายอันนี้มันตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากที่มันอยู่กับใจมันก็จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ไปเริ่มต้นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใหม่ไปเรียนหนังสือใหม่ไปหางานทำใหม่ไปหาแฟนหาสมบัติกันใหม่แล้วเดี๋ยวพอแก่เจ็บตายก็ต้องทิ้งมันได้หมดแล้วก็กลับมาหาใหม่เหมือนกับกอ ก่อเจดีทรายชายที่ชายทะเลเนะี่ยไอ้ที่บางแสนในหน้าในษาเขาจะมีจากงาน mm hmm. ก่อเจดีกันประกวดเจดีกันก็ใช้ทรายก่อกันที่ชายทะเลตอนน้ําลง mm hmm. เดี๋ยวพอน้ําขึ้นมามันก็ซัดไปหมดแล้วถ้าอยากได้ใหม่ก็ต้องมาก่อใหม่ชีวิตของพวกเราที่กําลังก่อคำเนี้ยเหมือนก่อเจดีทรายเดี๋ยวก็หมด เดี๋ยวน้ำทะเลคือเวลามันก็จะมาซัดไปหมดแล้วพอเราตายไปสิ่งต่างๆที่เราหามาได้แทบเป็นแทบตายก็หายไปหมดกลายเป็นของคนอื่นไปหมดแล้วแล้ไม่เบื่อไม่เข็ดกลับมาเกิดใหม่กลับมาก่ออีกก่อยอยู่นั่นคิว่าก่อแล้วจะมีความสุขแต่ความสุขเดียวๆได้เป็นเศรษฐีเดียวๆได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเดียวๆ เดี๋ยวพอถึงเวลาน้ำทะเลแห่งเวลามันก็มาซัดละลายหายไปหมดซัดสิ่งที่เราก่อด้วยทรายหายไปหมดของต่างๆ ท, ท, ที่เราหากันเนี่ยลาบยศจลเสนความสุขทางตาหูจมูกนิ้วการนี่เหมือนเจดีทรายเดี๋ยวมันก็ถูกน้ำทะเล <c oughs> ซัดละลายไปหมดพอน้ำทะเลขึ้นมามันก็ซัดหายไปหมด เดี๋ยวเวลาผ่านไปเราแก่เราเจ็บเราตายมันก็สิ่งต่างๆที่เราหามาได้ก็ถูกพัดหายไปหมดเราก็ไปตัวเปล่าๆไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปเรื่องก่อตัวดีย <c oughs> ์ทรายกองใหม่ต่อไปก่อประสาทก่อบ้านก่อช่องที่ทําด้วยทรายของต่างๆที่เราหานี่เหมือนทรายเนะี่ยเดี๋ยวสักวันมันก็จะสลายไปหมด บางทีมันสลายก่อนที่เราตายไปก็มีบ้านถ้าเราสร้างไปสักพังเดี๋ยวเนี่ยมันก็เก่าเก่าเดี๋ยวก็ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่สร้างใหม่เดี๋ยวมันก็เผ็ดเี๋ยวมันก็พังอีกเดี๋ยวมันก็เก่าอีกเห็ไมดูพีระมิดใหญ่โตขนาดไหนสร้างใหญ่โตขนาดไหนนี่มันก็ค่อยๆเก่าไปเดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็พังถล่มลงมาหมดเน กำแพงเมืองจีนเนี่ยใหญ่ขนาดไหนทิ้งไว้สักอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็พังหมดกุงสุกุงสุขโขทยัยกรุงสีนี่หายไปไหนแนละ้วมันก็พังเลยหมดอของต่างๆในโลกนี้มันเป็นเหมือนเจดีทรายก่อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็พังแต่ความสงบที่เราสร้างขึ้นมาในใจนี้ไม่มีวันพังไม่มีวันหมด พระพุทธเจ้าสร้างความสงบตอนนี้ความสงบก็ยังอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ถึงแม้ว่าท่านไม่มีร่างกายแต่ความสงบไม่ได้หายไปกับร่างกายสิ่งที่หายไปกับร่างกายก็คือร่างกายของเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะทรัพย์สมบัติของของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีสมบัติน้อยมีแค่แปดชิ้นเท่านั้นดูไม่สมบัติของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง อัฐ บ, บริขารนี่อัฐแปลว่าแปดบริขาร8ปดชิ้นบาทหนึ่งใบหนึ่งชิ้นผ้าจีวรสามผืน<ม>เป็นสี่ชิ้นมีดโกนเป็นห<ม>้าเข็มขัดรัดเอวเป็นหก<ม>เข็มกลับได้เป็นเจ็ดที่กรองน้ำเป็นแปดสมบัติของพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถาก็มีมีประสาทสามดูดู มีบริษัทบริวารมีอาหารมีเครื่องดื่มมีเครื่องบันเทิงต่างๆล้นฟ้าพอสละราชสมบัติก็หมดมาได้สมบัติแปดชิ้นอัฐบริขารพอตายก็หมดแต่สิ่งที่ไม่หมดก็คือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบที่เรียกว่านิพพานบัลลมะสุ จิตที่สงบจิตที่ไม่มีความอยากนี้เรียกว่านิพานนิพานไม่ได้เป็นเมืองไม่ได้เป็นบ้านไม่ได้เป็นสถานที่เป็นจิตของพวกเรานี่นะที่ถ้าเราตัดความอยากได้ทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้จิตก็จะเป็นนิพานขึ้นมาเป็นบร ม, มีสุขขึ้นมาตอนนี้จิตของเราเป็นวัฏฏะสงสารคือจิตยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะจิตยังมีความอยากอยู่ ความอย่างนี้แหละที่ทำให้จิตต้องไปเกิดในภพต่างๆเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์บ้างวนไปเวียนเนื่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอำนาจของการกระทำของเราถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้าทำบาปก็ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรก ก็ทำไปอยู่เรื่อยๆทำไปบางวันก็ทำบุญบางวันก็ทำบาปเพราะความอยากอพออยากจะได้อะไรถ้าหามาโดยที่ไม่ได้ทำบาปไม่ได้ก็ต้องไปทำบาปทำงานแล้วเงินเดือนไม่พอใช้ก็ต้องไปขโมยไปโกเพื่อจะได้มีเงินมาใช้อพอทำบาปก็เดี๋ยวตายไปก็ต้องไปรับผลบาปทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความอยาก ใจของพวกเราจึงเรียกว่าใจเป็นวัตจักวัตจักรคือเวียนว่ายตายเกิดใจของพุทธเจ้านี้เป็นเป็นวิวัตจักหรือเป็นนิพานคือหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ไปเกิดแล้วเพราะไม่มีความอยากอยู่ในใจไม่ได้อยากไปนู่นไม่ได้อยากมานี่อยู่ตรงไหนก็พอใจอยู่ตรงไหนก็แฮปปี้ไม่ต้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่แฮปปี้ต้องไปทางนู้น พอไปตรงนู้นเดี๋ยวก็ไม่แฮปปี้ก็ต้องกลับมาตรงนี้แต่จิตของผู้ที่นิพพานนี้เขาแฮปปี้ทุกแห่งอยู่ที่ไหนก็แฮปปี้มีความสุขเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าหยุดเนี่ยมันถึงหลักชัยเร็วกว่ากตายที่ปฏิบัติแบบบางครั้งก็โอ๊ยปฏิบัติทุ่มเทเ พอบางทีก็ไม่ทำเลยเปลี่ยนพิกหน้ามือเป็นหนังมือบางทีก็เข้าวัดอยู่มันเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวเบื่อก็เสกออกมาไปเที่ยวกันเป็นปีๆแล้วเดี๋ยวเบื่อเที่ยวก็กลับไปบวชใหม่เข้าๆออกกอกอย่างนี้มันก็จะไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าอยู่ไปเรื่อยๆทำไปตามกำลังของเราทำได้มากทำได้น้อยก็ทำมันไปแล้วค่อยๆเพิ่มมันไปทียรเล็กเทียรน้อย เดี๋ยวมันก็จะทาได้เต็มที่เองคนเรามันต้องไต่เต้าขึ้นไปไม่ใช่ทําแบบพวดพลาดเพราะกําลังไม่พอต้องค่อยๆเพิ่มกําลังสร้างกําลังขึ้นมาตอนต้นก็ปฏิบัติวันละครั้งสองครั้งต่อไปก็เพิ่มเป็นสามครั้งสี่ครั้งนั่งจากสิบห้านาทีก็เป็นสามสิบนาทีสมสิบก็เป็นสี่สิบห้านาทีเป็นชั่วโมงถ้ามัน สร้างสติขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็นั่งได้นานไปเรื่อยๆเองถ้าสติมีกำลังมากเท่าไหร่มันก็จะมันก็จะนั่งได้นานมากขึ้นไปทั้งนั้นแล้วต่อไปมันก็จะสามารถนั่งได้ทั้งวันทำใจให้สงบได้ทั้งวันพอทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาเวลาเกิดตัญหาความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาหยุดมันให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มัน มันไม่เป็นสุขหรอกมันเป็นทุกข์มากกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดพอบน ม, มันก็ทุกข์เห็นไหมคนที่ฆ่าตัวตายเพราะล้มละลายเห็นไหมเวลามีเงินทองมีความสุขมมีเกียรติมีหน้ามีตาพอล้มละลายไม่มีเงินทองแล้วเป็นยังไงอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้อยู่แบบขอทานก็ไม่อยากจะอยู่ฆ่าตัวตายดีกว่าออถ้าเห็นนต้องทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราได้มามันจะต้องหมด มันมีวันที่จะต้องหมดช้าหรือเร็วนั่นเองถ้ามันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันเวลาเราตายเราก็ทุกเสียดายเงินทองที่เราหามาถ้าเป็นแทบตายแต่เราเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว<ม>ให้คิดอย่างนี้คิดว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเราเอาติดตัวเไปไม่ได้เวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่า ไม่ได้เอาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมาไม่ได้เอาสามีเอาภรรยาเอาลูกมาแม้แต่ร่างกายอันเก่าก็ไม่ได้เอามาเวลาร่างกายเก่าตายไปก็ทิ้งไม่สับเปล่าไปแล้วก็มาหามาได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่พอโตขึ้นมาก็ใช้ร่างกายอันใหม่นี้หาหาเงินหาทองหาครอบครัวหาสามีหาภรรยาหาลูกกันหาอะไรต่างๆนานา แล้วเดี๋ยวพอตายก็ทิ้งไปหมดให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วมันจะได้เห็นโทษของความอยากฉันไม่อยากได้อะไรเอาสิ่งที่เร า, เาไปได้ดีกว่าคือความสงบหรือความไม่สงบส่วนใหญ่เราจะเอาความไม่สงบไปเพราะเราไม่เคยหาความสงบกันเราหาสิ่งต่างๆที่ทำให้ใจเราไม่สงบกันเวลาเราอยากได้อะไรนี้ใจเราสั่นนะมั้ยใจไม่สงบแนละ้ว กินไม่ได้นอนไม่หลับพอได้มาก็หายสั่นเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวก็อยากได้อย่างอื่นขึ้นมาใหม่ใจก็สั่นขึ้นมาใหม่เวลาตายไปก็ไปแบบไม่สงบไปแบบไม่ดีแต่ถ้าเราหาความสงบเจอนี่เราไปแบบสุกโกโตไปแบบไม่กลับไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปดังนั้นขอให้เรา พยายามปฏิบัติกันนะทุกคนปฏิบัติได้อยู่ที่เรามีความตั้งใจหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจแล้วเราก็มักจะทําทําได้เวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็ตั้งใจทำํำพอเราตั้งใจทําเดี๋ยวก็ได้เองแต่การปฏิบัตินี้เราไม่ค่อยตั้งใจกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรพราะมันยังไม่รู้ผลมันไม่เหมือนกับเงินนะหาเรื่องหาเ ง, งินนี้ตั้งใจหากันด้วยกัน ไม่ต้องสอนไม่ต้องบังคับเพราะรู้ว่าเวลาหารกันได้แล้วก็เอาเงินไปซื้ออะไรต่างๆได้ไปไปซื้อความสุขชั่วเทาวได้แต่ปฏิบัตินี้มันยังไม่เห็นผลยังไม่เห็นความสุขที่ได้จากการปฏิบัติมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างแล้วแต่อารมณ์ถ้าเบื่ออะไรขึ้นมาก็มาปฏิบัติกันพอปฏิบัติสักพักเบื่อ แล้วก็ไปหาอย่างอื่นใหม่ก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างเนี้ที่ไปไม่ถึงไหนกันก็เพราะว่าไม่ปฏิบัติแบบกัดไม่ปล่อยต้องเอาแบบกัดไม่ปล่อยปฏิบัติแล้วไม่เลิกบวชแล้วไม่สึกนี้ถือศีลแปดแล้วก็ไม่สึกถือมันไปตลอดชีวิต <c oughs> อจเจริญสติก็จเจริญมันทุกวันทุกเวลา ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปค อ, อยควบคุมความคิดไปถ้ามีความตั้งใจจะปฏิบัติแบบนี้แล้วก็มันก็จะปฏิบัติได้พอมันปฏิบัติได้แล้วมันก็จะได้ผลพอได้ผลแล้วเทนี้ไม่ต้องบังคับมันนะเหมือนทํางานนี้พอได้เงินเดือนแล้วนี่มันไม่ไมต้องบังคับไปทำและวพอได้เงินเดือนแล้วอยากจะไปทํางาน ถ้าทําแล้วไม่ได้เงินเดือนนี่มันไม่ค่อยมีกําลังใจที่จะไปไปไปทํางานแล้วไม่ได้เงินเดือนนี่อยากจะไปไหมไม่รู้ว่าจะได้เงินเดือนหรือเปล่ามันก็ไม่อยากจะไปเอวันไหนไม่อยากไปก็ไม่ไปเอพอไม่อยากไปมันก็ยิ่งไม่ไปทํามันที่ไม่ได้เงินเดือนใหญ่อขอให้เรามีความตั้งใจขอให้มีฉันทะความยินดี ต่อการปฏิบัติโดยการให้เราคิดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับผลที่เกิดจากการปฏิบัติลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงถ้าเราเห็นว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับผลที่เราจะได้จากการปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเกิดมีความยินดีขึ้นมาที่จะปฏิบัติพอเรามีความยินดีเราก็จะมีความขยันขึ้นมาเองพอเรายินดีจะทำอะไรแล้วมันจะทาได้ มันทุ่มเทได้ถ้ามันอยากจะทำถ้ามันไม่อยากจะทำทุ่มเทยงไงมันก็ไม่ทำฉุดยึงไงลากุันยังไงมันก็ไม่อยากจะทำเพราะไม่รู้ทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรมันต้องรู้ว่าทำแล้วได้อะไรได้ความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเกิดผลที่เราจะได้าจากการปฏิบัติจากการฝึกสติจากการนั่งสมาธิ พอเราได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงตั้นต่อไปเราก็ใช้ปัญญารักษามันสิ่งที่ยังมาทําลายมันก็คือความอยากนี่เองเพราะเกิดความอยากความสงบที่ได้มามันจะถูกความอยากทําลายไปเราก็ต้องทําลายความอยากเพื่อเอาความสงบกลับมาใหม่พอหยุดความอยากได้ความสงบก็จะกลับมาใจสั่นมือไม้สั่นก็จะหายไปเห็นไหมคนเวลาติดยาเสพติดนี่เวลาอยากจะเสพนี้เป็นไง มือไม้สั่นไหมใจสั่นไหมถ้าหยุดความอยากได้มันจะหายสั่นจะหยุดได้ต้องมีสติที่สามารถทำใจให้สงบได้ถึงจะหยุดมันได้แล้วต้องมีปัญญาสอนว่าตัวที่เป็นปัญหาตัวที่ทำให้ใจสั่นก็คือความอยากนี่เองอยากไปทำตามความอยากโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าทำแล้วมันจะทำให้ใจหายสั่นแต่มันหายชั่วคราวพออยากได้อะไร มือไม่สั่นพอไปได้ทำสิ่งที่อยากทำมันก็หายสั่นแต่มันหายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็สั่นขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาใหม่ถ้าจะอยากให้มันหายสั่นไปตลอดก็ต้องไม่ไปทำตามมันฝืนมันหยุดมันให้ได้พอฝืนมันได้หยุดมันได้มันหายสั่นแล้วมันก็จะไม่กลับมาทำให้ใจเราสั่นอีกต่อไปต้องพยายามมองเห็นประโยชน์ที่จะตามมาจากการปฏิบัติ เห็นว่ามันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับผลที่เราได้รับจากการปฏิบัติหรือพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้รับผลเป็นตัวอย่างหือพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้รับผลเป็นตัวอย่างท่านอยู่อย่างสบายท่านอยู่อยู่กับความสุขตลอดเวลาท่านไม่ต้องดินตอนหาอะไรต่างๆเหมือนกับพวกเราหากันหามาได้มากได้น้อยก็ต้องหาไปเรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าความสงบ ผลที่เราได้จากการปฏิบัตินี้มันจะทำให้เราพอพอเราได้ความสงบแล้วใจเร า, เราจะพอใจจะอิ่มใจจะไม่อยากได้อะไรดังนั้นขอให้เราพยายามสอนใจเราโน้มน้าวจิตใจเราให้เข้าหาการปฏิบัติทำให้ได้แล้วเราจะได้ปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติแบบไม่ถอยเดี๋ยวเราก็จะได้ผลปฏิบัติแบบถูกต้อง วิธีปฏิบัติถูกต้องก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนฝึกสติให้มีพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้เอาล้นะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาครลัง เอวเมวะอโตทินังเปตานังอุปกปติอิที่ตังปฏิทังตุมหังกิปเมวะสมิจโตสัพเเปุเรนโตสังกปาจันโทปนาอระโสยะธามณิโชตอระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโลกวินาศตุ มาเตภวะตวันตรายูส huh. uh ุข huh. uh ีทีขายุโกผวะอะพิวาธนสีริสนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลังอ่ามายังไง นึถึงตอนถ้าเราจะหมายว่าจากโลกนี้ไปอะค่ะบางทีเราเราจะละจากความผูกพันได้ยังไงคะแล้วก็ก็เราละทุกวันเนี่ยตอนคืนนอนนอนหลับก็ละใม่คิดถึงใครในเวลานอนหลับแบบนอนหลับเนี่ยเวลาตายก็เหมือนนอนหลับไปเองก็ดูลมหายใจไปจนกั่ามันจะหยุดหายใจก็หลับไปอย่าไปคิดอะไรคิดเวลานอนหลับเท่นั้นเองแล้วยังถ้าเรา มีอาการป่วยอย่างนี้นะะก็ป่วยมันป่วยไปอยากไปอยากให้มันหายอยากแล้วมันจะทรมานเวลาไม่หายรักษาได้แต่อย่าไปอยากให้มันหายมันไม่หายอ่ะก็รักษาไปเรื่อยๆอยู่กับมันไปยิ่งอยากยิ่งทรมานความความความความความไม่อยากให้มันหายไม่ได้หมายขาว่าไม่ได้รักษารักษาไปรักษาหายก็ดีไม่หายก็ช่างมันก็อยู่กับมันไปเราจะไม่ทรมาน จะมีความสุขพุทโธพุทโธไปรักษาไปแล้วก็พุทโธไปเรื่องหน้าการรักษาก็ให้หมอให้พยาบาลก็ทําหน้าที่ไปเราก็ดูใจเรารักษาใจเราด้วยพุทโธไปทําใจให้เราสงบไป อ, อาออ ใ, ชใช่ถ้าไม่ฝึก<อ>มันก็ทําให้เป็นไงเหมือนพิมพ์ดีถ้าไม่หัดพิมพ์มันก็พิมพ์ไม่เป็นถึงเวลาจะพิมพ์ก็พิมพ์ไม่เป็นต้องมาคอยหาตัวก่อไข่ตรงไหนขอไข่ตรงไหน แต่ถ้าเราหัดอยู่บ่อยๆเนี่ยถึงเวลาก็พิมพ์ได้เลยถึงเวลาจะทําให้ใจนิง่งให้สงบก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอันนี้มันก็สงบแหละถ้าห่วงคนนั้นก็ห่วงันนี้นก็บอกเดี๋ยวก็ต้องจากกันห่วงยังไงก็ต้องจากกันถ้าไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาอต้องฝ้อ ง, น, องอนใจให้มันเห็นความจริงแล้วมันจะได้ไม่ไปหลง ไปหลงไปอย่างกับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เ้วอยากจะอยู่ด้วยกันไปตลอดนิรันย์ใช่ไหมนิจินันน่าอะดูแลได้แต่ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลอยู่ได้ทหน้าที่ของเราไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปเออเราจะไม่เราจะสบายใจ อันนี้เฟซบุ๊กมาเท่าไหร่อันนี้ Facebook สูงสุด482ค่ ะ, ะ YouTube มี93 YouTube มิคิยูส์มี5ค่ะนี้ยูทมี5วันจันทร์นี่กลับเยอะนะ400กว่าวันอาทิตย์วันเสาร์300กว่า Facebook เฟซบุ๊กได้ไ เหมือนนักมวยไงนักมวยเวลาซ้ำโชคกระซามนี่คือเก่งไงพอขึ้นไปเทจริงพอเจอคู่ต่อสู้นี้พอโดอนหมัดเดียวงงเลยเอตอนนี้คือที่มหาหลวงพ่อนี้เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆคคือว่าหนูเผลอไปเผลอไปชอบกับสิ่งที่หนูไม่ควรจะชอบอย่างนี้ยค่ะแล้วเหมือนเราหนูรู้ว่าสิ่งที่หนูเป็นอยู่มันเป็น เ, เรียก อ, อะไรอ่ะวิชาทิคือมันไม่ถูกต้องค่ะเพราหนูรู้ แต่ว่าหนูก็ยังตามมันไม่ทันอยู่ดีค่ะหนูก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าหนูควรหนีใช่สติถ้าถ้าถ้าอยู่ใกล้มันแล้วมันซูมันไม่ได้ก็หนีไปก่อนหนีไปตั้งหลักอยาสักวันเราต้องกลับมาเจอมันกลับไปตั้งหลักไปสร้างพลังขึ้นมาก่อนไปสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาก่อนห น, นีไปบวชสักปีหนึ่งก็ได้ตัดใจหนีไปบวชเลยแล้วมันจะช่วยได้เยอะ อ่ไปเลยไปนั้นชีวิตไม่มีอะไรหรอกการไม่บวชนี่ไปสร้างสติสร้างปัญญา <ฮะ S 1> พอเรามีสติมีปัญญาแล้วถ้าเราอยากจะกลับมาเราก็กลับมาได้สมมติถ้าเกิดว่ายังยังต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี้ยค่ะก็ดูแลโดยส่งเงินมาให้เขาได้ไหมเรารเราเปลี่ยนที่ <c oughs> ไม่ให้เจอสิ่งนั้นได้ไหมคะได้เหมือนไปให้หนูไปตั้งหลับก่อนก็ <ฮะ S 2> ถ้ า, ถาขอ หาคนอื่นมาดูแลพ่อแม่แทนไปก่อนก็ได้หรือส่งเงินมาให้เขาใช้ก็ได้แต่ตัวเราต้องไปออกจากเวทีก่อนถ้าอยู่บนเวทีโดยเขาโดยเขาชบอย่างเดียวสู้เขาไม่ได้ไดลองลองเวทีไปไปหาที่ซ้อมซ้อมใหม่ก่อน <c oughs> เรายังซ้อมไม่พอ ไดฟังฟังธรรมะกับหลายๆหลอกพ่อจาก u ูทูบอะคะ่ะแล้วเหมือนเราพบว่าตอนเนี้ยหนูชอบดูลมหายใจมากกว่าแต่ถ้าพุโทโธทีไรมันจะง่วงทุกทีใช่ก็ใช้ดูลมหายใจไป ว, วิธีไหนที่ทําให้ใจเราสงบได้ผลเราก็ใช้วิธีนั้นแต่ว่าพ อ, พ, อพอเจอเรื่องจริงแล้วหนูก็แพ้อยู่ดีอ๋อพุทโธเร่องดูมหายใจมันไม่มีมันไม่ใช่ปัญญาไอปัญญานี้เราต้องดูอย่างที่สอนเนี่ยสิ่งที่ เราไปติดว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์ต้องตัดมันให้ได้อย่างเงี้ยหนูเข้าใจว่าสิ่งที่หนูเกิดขึ้นกับหนูอยู่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยแต่หนูก็ยังทําใจไม่ได้แสดงว่าหนูยังไม่มีปัญญาใช่ไหมคะไม่มีปัญญาเรื่องมีปัญญารู้หนูมีปัญญาหนูรู้ว่าไม่ถูกต้องแต่หนูไม่มีกําลังที่จะฝืนใจฝืนความอยากต้องใช้พุโทโธเนี่ยบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเวลาคิดถึงเรื่องที่เราอยากเวลาเราอยากจะไปทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไป เลยถ้ามันสู้ไม่ไหวก็ต้องหนีไปอยู่ไกลๆก่อนไปบวชสักพักนึ่งก่อนถ้ามันอยู่ใกล้มันมันมันดูดเราเข้าอ่ายต้องไปอยู่ไกลๆกระแสที่อิทธิพลของการดึงดูดมันจะเบาลงถ้าไม่เห็นไม่นึกถึงมันมันก็อย่างตอนนี้ไม่นึกถึงมันมันก็สบายเดี๋ยวพอเห็นมันนึกขึ้นมาเกิดอยากขึ้นมามันก็ทรมานใจขึ้นมาใช่ค่ะทุกมาก ถ้าไปได้รีบไปนะขอบคุณค่ะไปบวชนะอาจ <hal> จะไปได้ที่ไปได้สองาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูอาจจะอยากที่ใหที่ไม่เห็นเจอไม่ได้เห็นค่ะได้แล้วมันจะเห็นเห็นคุณเห็นโทษว่าเออเวลาไม่อยู่ใกล้แล้วมันสบายกว่าพอมันอยู่ใกล้แล้วมันวุ่นวายก็ต่อไปก็อาจจะไม่อยากจะมาอยู่ใกล้เข้าใจวขอบคุณค่ะได้ตอบค่ะ อ่าได้คำตอบแล้วนะมันจากที่ไห น, หนอ่ะค่ะหนูละคะอวันนี้ขับมาจากกรุงเทพไหมคะอ่าใจมัจใจแบบรอแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงคือจริงๆริงคือหนูปกติไป go and go ถูกถูกปีนะค ะ, ะแล้วครั้งสุดท้ายที่ไปมาะคะ่ะหนูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีแล้วก็เออมีคนนึ่งนะค่ะเขาแนะนําให้ฟังหลวงพ่ อ, อหนูก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> ตั้งแต่หนูเรียนมานะค่ะ มาเข้าใจหลวงพ่ออมเพิ่งมาเข้าใจกับที่ฟังเทศจากหลวงพ่อที่ยูทูปอะค่ะก็เลยจริงๆแล้วก็คือฟังมาเรื่อยๆค่ะแบบบางคืนก็ฟังบางคืนก็ท่าง่วงก็ไม่ได้ฟังอะค่ะรู้สึกว่าหนูเข้าใจง่ายแล้วก็หนูไม่รู้พูดถูกอะค่ะขั้นตอนต่อไปก็ต้องปฏิบัติใช่ต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ยากจังเลยพุทโธหัดพุทโธไปหนูเคยพุทโธอยู่แล้วเวลาที่เราไม่ได้นั่งเนยเราใช้พุทโธดีกว่าดูลม ดูล ม, มันจะดูยากกว่าถ้าเวลานั่งให้หนูใช้พุโทโธเวลาไม่ได้นั่งเวลาไม่ได้นั่งให้ใช้พุโทโธเวลาทํางานทําการแล้วคิดนูน่นคิดนี้ก็พุโทโธพุธโทโธไปหยุดมันเวลานั่งก็ดูลมไปถ้าถ้าหนูถนัดลมก็ดูลมไปแต่มันก็ฟุ้งนะคะคือหนูก็ฟุง้งแต่หนูก็ดึงกลับมาอ่าพยายามดึด ง, งมาบ่ายบอยๆแล้วต่อไปไมันจะฟุ้งน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วหนูอยากรู้ว่าเรา ปัญญาเรามีแล้วเนี่ยเรารู้ตอนนี้เรามีปัญหาแล้วแต่เราไม่มีกําลังที่จะไปแก้ปัญหานี้ไม่มีสติไม่มีสติหยุดความอยากที่จะไปยุ่งกับเรื่องต่างๆนี่อยใช่ค่ะเนี่ยถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธมันก็จะหยุดมันได้ใช่อย่างเวลาหนูก็พยายามนะคะแบบมาอยู่กับมาอยู่ที่ลมหรือพุโทโธเนี่พอช่วงนั้นนี้นาทีนั้นมันก็โอเคได้แต่พอไปเจอไปเห็นอีกก็แลเราก็พุโทโธต่อไปสิ เ, คคเราอย่าไม่อยู่พุโทโธ พอหยุดความอยากมันก็โผพุ่งออกมาเลยแล้วปัญญาก็หายไปหมดเลยที่ว่าเป็นโทษเป็นภัยนี่หายไปหมดเลยเข้าป่างั้นหนูหนีก่อนแล้วกันค่ะนี้ก่อนดีกว่าอยงอยู่กล้ลงเวทีก่อนอย่าไปไปซ้อมประสอบทรายไปโชคประสอบทายหนึ่งขึ้นไปเดนเขาโชคอย่างเดียวโดนกิเลสโชคไม่ใช่ใครโชคหรอก <formation jin inh throat> ปีเลศความอยากมันชกเราตลอดเวลาเอาสิเอาสิดีดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แล้วก็มาน้าตาตกเลยไม่ใช่เหอมันเคยเป็นมาแล้วถ้ารู้ว่าทุกบอกมีปัญญาบอกเกิดนะถ้ามันไม่เจอทุกมันจะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ ออมันเจอแล้วมันถึงจะรู้อ๋อไฟมันร้อนต่อไปก็ไม่กล้าไปแตะไฟอย่างเงี้ยที่นี้หนูจริงๆหนูจริงๆหนูอยากไปโกเคนก่อกรอบค่ะแต่ว่าก็คุณพ่อที่บ้านเขาก็พ่อพ่อหนูก็บอกว่าไปนั่งที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องไปเลยใช่แต่มันไม่เหมือนหนากเพราะทั้งที่บ้านหนึ่งบางทีเราไม่มีกําลังที่จะบังคับตัวเราเองใช่ไปอยู่กับเขาเขาบังคับไงหนูใจอ่อนไปเราต้งต้องอาศัยคนอื่นช่วยเราก่อน ไปไปปฏิบัติกับเป็นกลุ่มถึงเวลาต้องปฏิบัติถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวถึงเวลาก็ อ, อ่ะงุ้อย่างนี้เดี๋ยวก็นอนต่อะง<ช>ั้นถ้าไปได้ไปจะบอกพ่อมันเหมือนรักษาตัวที่โรงพยาบาลบอกพ่อ<ช>อย่างนี้รักษาบ้านมันมันมันเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้ อ, อมถ้าไปโรงพยาบาลมันมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมกว่าถ้าไปปฏิบัติตามสํานักนี่มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาควบคุมใจเราได้ดีกว่า ไปได้ไปเถอดคำถามสุดท้ายขอโทษทุท่นด้วยก็คือว่าหนูสงสัยเรื่องสินนะคะคือว่าสมมติคือบางที่ก็บอกว่าถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทําก็เป็นแค่สิ่งคลองแต่คือบางบางหนังสือที่หนูอ่านก็คือถ้าผิดทั้งกายวาจาใจก็ถ้าใจผิดด้วยก็คือผิดสินด้วยหนูก็เลยงงว่าสรุปคือถ้าคือมันผิดเลเวลไหนเคือ ทุกอย่างมันมาจากใจเราไงออก็คือใจใจคิดก็คิดก่อนมันผิดแต่มันมันจะนําไปสู่การกระทําที่ผิดต่อไปถ้าใจไม่คิดมันก็จะไม่นําไปสู่การกระทําถ้าเรามีพุทโธเราคุมใจได้เราก็จะมีสินได้โดยอัตโนมัติอย่างว่าหนูผิดสินแล้วเพราะหนูคิดยังไม่บาปยังไม่ผิดถ้าหนูยังไม่ไปทํายังไม่ไปพูดเพียงแต่ว่ามันมีใจเป็นผู้ริเริ่มไง ถ้าคิดแล้วเรารู้ว่าคิดผิดเราก็หยุดซะหยุดคิดซะเราก็ยังไม่ได้ไปทำมันก็ยังไม่ผิดศีลศีลมันจะผิดต่อเมื่อเราแอคชั่นแล้วพูดแล้วเล่นโกโหกแล้วขโมยของเขาแล้วเนียมันถึงจะผิดเพแต่คิดจะทำนี่มันยังไม่ผิ ด, ด, ผดวิธีดีที่สุดก็คอยคุมใจไว้ถ้าคุมใจได้มันก็จะไม่ไปพูดไปทาในสิ่งที่ผิด พูดโทรไปร น, นั่นแหละพอจะคิดอะไรไม่ดีก็พูดโทรพูดโทรไป ไ, ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพอหมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามมนี่ผู้ปฏิบัติหายนาไปนาน2ปีเลยหายสองปสไป2ปีมาเลย2ปีไม่ได้มาเลยทำไมเราเบือเ่อเลยไม่ปัญหามันมากมายท่านอสองปีรับมิบัตรเต็มๆพูดโทรไม่มีเลยไม่สภาพ แน่นขึ้นนะดีขึ้นนะท่านอ่าดีขึ้นนะดีขึ้นแน่นขึ้นแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดเลยอ่าขาดอะไรอยู่ขาดที่ใจอ่ะท่านนุ้ยยึดอยู่มันก็ปล่อยได้จ้ะรู้เหตุของทุกข์อะไรรู้ว่ามันต้องปล่อยแต่ไม่แต่ไม่แต่ไม่ทันมันทีมันเป็นบางครั้งอ่าแต่เหตุการณ์มันจะซ้ำซากแล้วเข้ามาแลจนมันเป็นระลอกอ่ท่านครั้งนี้ไม่สุดครั้งสองไม่สุดครั้งสามมันรลอกจะไม่สุดจนได้ท่าน นอกบงทีนอกแต่ไม่ผาไม่ได้ไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาทันทีก็พยายามแต่ว่ามันมันเหตุการณ์มันทันยากอืมก็แต่ก็อตอนตอนนี้ก็โอเคแล้ถ้าไม่รู้อะไรก็พุทโธไปก่อนเลยหยุดความคิดไปก่อนนถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาเป็น้องหายวิญญาณกายพอมากๆเข้าก็เพ่งดูจิตแล้วก็มองกายตัวเองไปมันก็เป็นแค่ศักด์แปลว่าธาตุมันเมืนก็ประชุมกัน มันสลายมันก็เป็นความว่างก็ดูจิตมันก็ว่างมันก็สลับอยู่เนี้ยท่านตอนนี้จะสลับอยู่ใช่มันตอนที่อยู่คนเดียวมันก็ดูได้ตอนที่เราไปเจอเหตุการณ์มันไม่มันไม่คิดเวลาเจอเหตุการณ์มันต้องคิดแบบนี้สิมันจะได้ไหมอ่ามันจะได้ว่างพอไปเจอเหตุการณ์มันเป็นเรื่องเวลาขึ้นมาเลยสองปีล็อกตลอดแต่ตอนนี้ตอนนี้ประสบการณ์ก็ดีขึ้นท่านนั่งแน่นขึ้นก็ดีขึ้นเลยก็เลยมีโอกาสก็เลยรีบ มากับไม่ได้ส่งตอบอะไรเห็นอวลาจะถามไหมไม่มีถามก็ได้ขอถามนิดนึงคือหลวงพ่อครับเพิ่นที่ที่กวนจ้างที่เขาสอนหนูมาค่ะคือเขาสอนอนาปาณสติด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดูกายดูเซนเซชันที่ที่บอดี้อย่างนี้ค่ะทีนี้ยพอเวลาหนูมาทําเองเนี่ยค่ะมันก็เลยอัตโนมัติพอหนูนั่งปุ๊บจิตหนูยังไม่ทันดูลมหรือว่ายังไม่ทัน ยังไม่ทันแบบพุทโทเลยค่ะมันก็ไปดูแล้ ว, ลวไม่ถูกอ่ะเพราะนั่งสมาธิเราต้องการให้จิตอยู่กับจุดเดียว<ช>อยู่กับลมให้มันนิ่งแสดงว่าเราต้องนิ่งก่อนแล้วค่อยเดินปัญญาให้นิ่งก่อนไอไอเดินปัญญานี่ความจริงมันไม่ได้เดินแบบนี้หรอกอมันต้องเดินตอนที่มันเกิดความรู้สึกจริงๆขึ้นมาอ ะ, อะไรที่เขาสอนหนูนี่คือก็ไม่ถูกอะ่ะเพราะมันไม่มีมันไม่มีผลกระทบต่อจิตใจเรา เราต้องดูให้เวทนาที่มันมีผลกระทบกับจิตใจเราเ mm hmm. ช่นเวลาปวดท้องขึ้นมาอยเงี้ยแล้วใจเราทุกข์กับมันหรือเปล่า mm hmm. เราสามารถทําใจให้เราไม่ทุกข์กับการปรวดปวดท้องได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องหัดทําไม่ใช่มานั่งดูตอนนี้รู้สึกตรง น, นี้ <c oughs> มันไ ม, ม่มันไม่มีผลกระทบอะไรกับใจเราเพราะยังเวลานั่งให้ดูแต่ลมทําทําสมาธิอย่างเดียวอย่าไปดูเวทนา เวทานานี้ดูตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเวลาหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวนี้ทําใจให้เราสงบได้ไหมไม่ไม่ไปวุ่นวายกับความหิวข้าวได้หรือเปล่าไปก็ได้ไปเพื่อเอาเอาเวลาที่เขาบังคับเรามานั่งแต่เราไม่ต้องไปทําตามเขาทุกอย่างเวลาเรานั่งเราก็ดูลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปดูเวทนาเวทนาดูตอนที่มันเป็นจริงตอนที่ปวดท้องปวดหัวแล้วเราทําใจให้ไม่ทุกไปกับมันได้หรือเปล่า อันนั้นคือของจริงมับัจจุนออใช่เวลาเดินมันเมื่อยเรายัางทุกกับมันหรือเปล่ายัางเดินต่อได้ไหมแต่แม้มันจะเมื่อยจะถ้าใจไม่ทุกข์มันยังเดินต่อได้ดูดูของจริงอย่ามันดูแบบคิดเนี่ยนี่มันดูแบบคิดหรอกให้จิตปรุงขึ้นมาว่าเกิดเวทนาตรงนี้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเองก็ได้ อ่าเจ็บมันปุ่มขึ้นมาทำไมาถ้าหนูไม่ได้คิดถึงมันมันก็ไม่มาใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องไปคิดถึงมันมันถึงมาไง<ม> <c oughs> ของโบนี้มันไม่ไร้สาระไม่ใช่ของจริงของปลอมต้องดูของจริงเวลาเดินไปเตะก้อนหินเนี่ยเท้าเจ็บเงี้ยเอะจะทําไงลองอ่าอย่าไปลองได้ไหมยอยู่กับมันได้ไหม <c oughs> เจ็บก็เจ็บไปใจอย่าไปเจ็บอย่าไปเจ็บสองเด้งเลยเจ็บกายแล้วอย่าไปเจ็บใจด้วย เราสามารถถ้าเรามีวิปัสสนาเราใจเราจะไม่เจ็บนี่ให้พิจารณาคือเวทนาของทางกายเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันบางทีก็ดูเวลามันเวลาในจริงก็อย่าไปดูแบบตอนนี้เลยตอนนี้ไม่มีอย่าไปดูอะไรมันตอนนี้มันมันแบบไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะตอนนี้มันสุขไหมไม่สุขใช่ไหมทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมเดี๋ยวพอหิวน้ำขึ้นมานี่มันทุกข์ไหมอ่า พอได้ดื่ม น, น้ําขึ้นไปแล้วทุกข์ายไปไหมอ่ะสุกก็ดูอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอ่นี่บางทีมันเปลี่ยนไม่ได้บางทีไปไปอยู่ที่ไม่มีน้ําดื่มเนี่ยทาาําไงก็ให้มันทุกข์ที่ร่างกายอย่าไปทุกข์ที่ใจใจเราก็พุทโธพุทโธเฉยเฉยไปอย่าไปอยากดื่มน้ํามันก็จะไม่ทุกข์เพราะไม่มีน้ําให้ดื่มอย่างเงี้ยสมมุติดูของจริงเนี่ยนี่มันมานั่งคิดอย่างเงี้เอง ที่งพออันนี้คือวิปัสนาอ่านั่นแหละวิปัสนาแต่ถ้าเกิดว่าดูไอ้พุโทโธพุโทโธนี่คือที่เาเรียกว่าสมถะอ่าสมถะให้ไม่ให้คิดอะไรให้นิ่งแต่ถ้าวิปัสนาเราคิดได้ลเราพิจารณาชแต่จะพิจารณาต้องมีใจที่นิ่งก่อนงั้นมันจะไม่มีกาลังทาให้วิปัสนาเพื่อสอนใจให้มันไม่ไม่ไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆให้มันนิ่งกับเรื่องราวต่างๆก็คือไม่ให้อภิธอ่าไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้ไปกลัวไม่ให้ไปหลงกมัน เนี่ยตอนนี้มันไม่มีอะไรเวทนาก็นั่งคิดไปรู้สึกหนู้ึสึกนี้ขึ้นมาแล้วพอเจอของจริงก็ไม่รู้จะทำไงกับมันพอปวดท้องขึ้นมาก็โอ๊ยต้องบวนหาหมออย่างเดียวอยากจะให้มันหายอย่างเดียวถ้าคนเขาเก่งจริงเขาใช้ธรรมะโอสถปวดก็ปวดไปปวดเดียมันก็หายถ้าเกิดไปอยู่ในป่าอยู่ในที่ที่ไม่มีหมอ ร, รักษาจะทาไงมันก็ต้องอยู่กับมันไป อย่างมากก็แค่ตายตายก็เป็นวิปัสสนาทางร่างกายร่างกายเดี๋ยวมันมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ต้องตาย<ม>วิปัสสนาเวทนากับร่างกายมันจะเป็นสองส่วนที่มันจะเกี่ยวข้องกัน<ม>ให้เราให้เราเจริวิปัสสนาเพื่อให้เราไม่กลัวความเจ็บไม่ให้กลัวความตาย<ม>เจ็บก็อยู่กับมันได้ตายก็อยู่กับมันได้ ก็ทุกอย่างอะที่มันทําให้เราทุกข์อะไรทําให้เราทุกข์แล้วเนี่ยอปัญหาที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันก็ทําให้คุณทุกข์ถ้าคุณมีวิปัสสนาคุณก็ไม่ต้องไปกลัวเองกล้าคุณก็วิปัสสนาว่ามันไม่เที่ยงมันทําให้เราทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันไม่ดีก็อย่าไปยุ่งกับมันสิแค่นั้นเองถ้ามันทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับมันถ้ามีวิปัสสนามันก็ไม่ต้องหนีไปไหน อแต่หยุดไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้หรือว่ามันทุกข์ยางอยากไปเล่นกับมันอยู่เอหรือว่ามันเป็นไฟยังอยากไปเล่นกับไฟอยู่<ช>เล่นทีไรก็แจกตัวทุกที<ช>ไม่ทุกทีเพ <c oughs> ราะไม่มีกําลังเนี่ยไม่มีสติที่จะหยุดใจที่ไม่ให้มันไปเล่นกับมันไม่มีกําลังที่จหยุดความอยากเพราัร้น <c oughs> ไปฝึกสติไปฝึกสมาธิได้ ไม่ต้องไปวิปัสนาเขาสอนวิปัสนาเราก็ดูลมของออกไปทําใจให้นิ่งเฉยๆให้สงบให้ว่างไปเพราะถ้าอยู่บ้านเราจะขี้เกียจบังคับตัวเองไม่ได้ต้องไปอยู่ที่เขาบังคับเพราะคนอื่นเขาทําเราไม่ทำเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาก็ไล่เรากลับอยู่ดีอแต่ถ้าเราทําเองได้แล้วไม่ต้องไปก็ได้ถ้าเราเอาตารางของกัวเอิงก้าวมาใช้ที่บ้านเราได้ก็ไม่ต้องไป ได้ไหมเอตาตะลังงั้นไม่ได้ยัง เ, ยงเด็กอยู่ <c oughs> ยังทะเลทลายอยู่ยังชอบทะเลทลาย <c oughs> ต้องมีที่เลี้ยงคอยต้อนอไม่รูรู้ตัวทุกอย่างเลยนะคะรู้ทำไมรู้แล้วก็ทำเลยรู้เสร็จแล้วต้องต้องทำอะไรก็ทําเลยตอนนี้ต้องไปหาที่เลี้ยงก็ไปซะอยู่คนเดียวคุมตัวเราเองไม่ได้ก็ต้องไปหาที่ที่เขาคุมเราช่วยและคุมเราให้ได้ ไปได้ก็ดีเพราะตอนนี้เราสู้เขาไม่ได้ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะมีรายพูให้หมดเลยมาไกลวันหลังก็วันหลังก็ส่งเข้ามาทางทา ง, ทางเนี่ยติดทางไลฟ์ได้เนี่ยกลาวันเนีตอนนี้มีคนส่งข้อความเข้ามาอยู่หลายคนใช่ล้วเราเอาสักคอหนึ่งเลยมีคำ ถ, ถามจากคุณลาวัน รู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเราควรปล่อยวางอะไรบ้างคะความอยากหรืออุเบกขาให้ได้คะก็ปล่อยวางความรักชังกลัวหลงเนี่ยเห็นอะไรก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นงูก็เฉยงูมันจะมานั่งข้างๆเราก็ปล่อยมันมานั่งข้างๆรู้เฉยๆก็ต้องมีอุเบกขามากๆต้องมีพุทโธมากๆถ้าทนไม่ไหวก็หลับตาพุทโธพุทโธไป ยอมตายมันก็จะเฉยได้คำถามจากคุณเปาพระอารหรันยังต้องนั่งสมาธิเป็นประจำหรือไม่คะหรือใช้แค่แต่สติ ก, กับปัญญาคะ อ, อ๋อท่านนั่งแต่นั่งไม่ได้นั่งแบบแบบแบบฆ่ากิเลสไงนั่งแบบเพื่อพักผ่อนจิตใจจิตใจเข้าในสมาธิมันก็ว่างมันเบามันสบายไม่ต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆแต่ทาไม่มีกิเลสที่ต้องฆ่า นั่งคนละแบบกันนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้พระอาหารคำถามจากคุณล น, นกรการที่เรามีจิตตั้งมั่นถว า, ายพระพุทธรูปหรือภาพไตาจีวรเพื่ออุทิศให้แก่พระพุท ธ, ธศาสนากับเจ้ากรรมในเวรหนูเคยได้ยินว่าผู้มีเนื้อนาบุญกับตัวเองกำลังกลังของบุญที่รับจะไม่เท่ากันเพราะเรายังไม่มีอานิสงส์หรือบารามีพลังจิตที่แผ่ไปไม่ได้ ขอคำแนะนําด้วยค่ะ อ, อ๋อการแผ่พลังจิตเนี่ยมันแผ่ไม่ได้หรอกมันต้องคือมันต้องแผ่ด้วยการกระทำเช่นเราช่วยใ ค, ใครได้ก็ช่วยไปไม่ใช่มานั่งแผ่แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันไม่มีหรอกอพลังจิตมันไม่ได้ใช้แบบนั้นพลังจิตมันใช้สําหรับมาสร้างพลังให้กับเราเพื่อเราจะได้มีกําลังไปทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น ไปช่วยเหลือผู้อื่นองี้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีพลังจิตท่านสามารถสละอุทิศชีวิตของท่านหลังจากที่ท่านตัดสัตวรู้แล้ว45ปีไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองเลยทําเพื่อคนอื่นสอนคนอื่นทั้งทุกวันพุทธกิจ5เนี่ยสอนตอนบ่ายสอนตอนค่าสอนตอนดึกตอนบ่ายสอนญาิโยมตอนค่าสอนพระภิกษุสามนเณรตอนดึกสอนเทวดา ตอนเช้าก่อนจะออกบินธบาตรก็เลงยานดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ไปบินธบาตรโปรตสัตว์เนี่ยคนที่มีพลังจิตทําอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีพลังจิตจะทํานี้ได้เดี๋ยวจะไปเที่ยวกันเดี๋ยวจะไปหาเงินหาทองไปกินไปดื่มกันอย่างนี้เวลาต้องจิตแผ่ไม่ตาไม่ไม่ได้แผ่แล้วแผ่ต้องแผ่ตอนเนี้ยก่อนทำเออก่<น>เอาขนมมาให้ใครเนี่ยตอนนั้นแผ่ใช่ไหมก็คือเกิดเมื่อเกิด ต้องมีแอคชั่นมีคนรับแอคชั่นของเราไม่ใช่มานั่งคิดสับเพสับตาเอเวลาหงตุขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขมันไม่มีหรอกจากคำความคิดของเราอันนี้เป็นการซ้อมเป็นการสอนใจเราให้รู้จักวิธีฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียทีคบกันมานานมีของดีไม่บอกฉันเพิ่งทราบอนุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าของนายวันนี้เองไปเถิดสหายจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้ามาฉันที่บ้านของฉันวันพรุ่งนี้กระาฮินดีใจ รีบไปบอกพระคุณเจ้านิครนของเขาสริคุทพูดกับท่านเองเลยเหรือนิครนถามขาพูดเองข้าพเจ้าได้ยินมากับผูเองเดี๋ยวนี้เองกระหัตินยืนยนันพวกนิครนร่าเริงยินดีเป็นนักหนาพูดกันว่าสามเหล็กแล้วเมื่อสริคุทเลื่อมใสพวกเราแล้วสมบัติทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นแก่พวกเราบ้านของสริคุตใหญ่โตมโหฬาร น, นักสริคุตหาได้เลื่อมายในพวก ในพวกนิครณจริงไหมเขาต้องการแกล้งพวกนิครณให้ได้รับความอับอายขายหน้าจึงให้คนขุดหลุมยาวใหญ่ระหว่างตัวเรือนสองหลังให้เอาอุจระเหลวใส่ไว้จนเต็มแล้วเรียบไม้พรางตาไว้มีเชือกสําหรับดึงให้แผ่นกระดานแยกออกให้นิครณตกลงไปในหลุมขุดโดยง่ายให้คนปูอาสนะทับไว้ไม่ให้มองเห็นหลุมให้เตรียมตุ่มใหญ่ๆไว้ หขกปากตุ่มด้วยใบกล้วยบ้างผ้าเก่าบ้านทำตุ่มเปล่าเหล่านั้นให้เประเปื้อนด้วยเม็ดข้าวต้มข้าวสวยเนยใสน้ำอ้อยและขนมมองดูมองดูเหมือนมีของเหล่านั้นอยู่เต็มตุ่มแล้วให้วางเรียงรายไว้หลังเรือนวันรุ่งขึ้นกราทินรีบไปยังเรือนของสริคุตเช้าตรูเพื่อดูว่าอาหารและสถานที่พร้อมหรือไม่เมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วก็กลับไป ขณะที่ขราชินออกไปพวกนิครนก็มาถึงสริคุตออกจากเรือนไปต้อนรับว่ายโดยเบนจางขัขบระเด็ดแล้วยืนประคองอัญเชิญอยู่เบื้องหน้าของนิครนเหล่านั้นพลางคิดว่าในว่าท่านทั้งหลายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตและอนาคตอุปถาของพวกท่านบอกข้าพเจ้าอย่างนี้ถ้าท่านรู้จริงก็จงอย่าเข้ามาในเรือนของข้าพเจ้าเพราะวันนี้ข้าวต้มก็ไม่ เมื่อกี้ตอบคำถามก็เลยยังตอบแล้วคอีกข้อข้อสุดท้ายลนะหมดเวลาคำถามจากคุณปุ้มปุ้ยการปฏิบัติเวลานำมาใช้ในชีวิตจริงจะทำอย่างไรให้สติและปัญญาเมื่อเกิดแล้วทันกันเจ้าคะก็ต้องทำบ่อยๆจนมันชำนาญไงจนมันเป็นนิสัยเหมือนกับเราหัดขับรถนะ่ะตอนต้นเราไม่กล้าขับออกไปถนนใหญ่ใช่ไหมเพราะเรายังไม่ชนานาญเราก็หัดขับถนนแถวรอบบ้านล้วก่อน ขับไปเรื่อยๆจนกว่าเรามีความมั่นใจว่าเออทีนี้ออกถนนใหญ่ได้แล้วก็ไปอันนี้ก็เหมือนกันคุณฝึกสติเรื่อยๆต่อไปคุนมีความมั่นใจว่าหยุดความโลภหยุดความโกรธได้พอเจอเหตุการณ์ก็หยุดมันได้คนก็ไปใช้มันได้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเดี๋ยวก็ขับรถยังไม่ชนานาญเดี๋ยวก็ไปชนกับคนนั้นชนกับคนนี้เดี๋ยวก็ไปโกรธคนนั้นเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับคนนี้แสดงว่ายังขับรถไม่เป็นยังขับใจไม่เป็นยังควบคุมใจไม่เป็นก็ต้องหัด ไปเปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปบวชสักสามเดือนนี้ไปหัดฝึกสมาธิฝึกปัญญาเนี่ยมันจะได้ฝึกอย่างเต็มร้อยเต็มที่แล้วพอศึกออกมานี่ก็สามารถใช้มันได้เอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ